รักบรรดานิทานสีขาวดออรอัดองค์ชุมสายในอายุทยาค่ะสามีขี้เล่าของเปรมาณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของชมพูทวียังมีเด็กสาวหน้าตางดงามราวกับนางสวรรค์นคนหนึ่งชื่อเปรมาเปรมาเป็นที่รักของชาวบ้านในหมู่บ้านเพราะความเป็นเด็กดีและมีอุปนิสัยน่าคบหา ส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะเด็กสาวศรัทธาในนักพจนีรติมากจึงประพฤติตนเป็นคนดีตามคำสอนของท่านอย่างเคร่งครัดนอกจากนั้นเปรมายังชอบนั่งสมาธิและสวดมนต์ระลึกถึงคำสอนของนักพจนีรติทุกวันมิได้ค่ะเวลาผ่านไปจนกระทั่งเปรมาเข้าสู่วัยสาว พ่อแม่ก็จัดการเลือกครูครองเป็นลูกชายเศรษฐีผู้มั่งคั่งให้แก่เปรมาในตอนแรกเปรมานึกรังเกียจครอบครัวสามีที่มีเงินทองมากเกินไปด้วยคิดว่าส่วนหนึ่งอาจจะมาจากความสุจริตในการประกอบอาชีพแต่เมื่อได้เข้าไปเป็นสไปในตระกูลนั้นเธอก็รู้ว่าตระกูลของสามีเป็นผู้ทำการค้า ย, ยางสุจริตโดยแท้ เปลมาจึงเปลี่ยนอคติให้กลายเป็นความรักเธอรักสามีสุดหัวใจและสามีก็รักเปลมาอย่างหมดหัวใจเช่นกันเปลมาอยู่กินกับสามีอย่างมีความสุขไม่นานความทุกข์ก็เข้ามาเยือนเมื่อเธอสังเกตเห็นว่าสามีดื่มเหล้าไม่เว้นแต่ละวันอีกทั้งยังเพิ่มปริมาณเหล้าที่ดื่มมากขึ้นทุกทีเปลมาพยายามเตือนสามีในเรื่องนี้ แต่เขาก็หาได้ทำตามไม่เธอเขาอาจจะรักเธอแต่ก็ไม่ยอมเลิกดื่มเหล้าเช่นกันต่อมาเปยมาจึงได้รู้ความจริงจากคนในบ้านว่าสามีของเธอติดเหล้ามาก่อนที่จะแต่งงานกับเธอจะอีแต่ที่เธอไม่เคยรู้ก็เพราะเขาแอบดื่มโดยไม่ให้เธอเห็นความทุกข์หนักหนาตกอยู่แก่เปยมา เธอเกลียดคนขี้เล่าขณะเดียวกันก็เป็นห่วงสุขภาพของสามีหลังจากนอนกายหน้าผากอยู่หลายคืนในที่สุดเปรมาก็คิดออกเธอจะสอนให้สามีมีสวดมนต์ของนักพจติริติตามเธอไม่เอาสามีของเปรมาค้านหัวชนฝาข้านับถือท่านพจนักพจนโกลมุตคำสวดของท่านก็สอนให้ทำความดีเหมือนกัน แล้วทำไมข้าจะต้องไปว่าคำสวดของนักพจนิตยติด้วยฮึใช่คำสวดของนักพจน์โกมุศสอนให้ทำความดีเบรมาโอนอ่อนผ่อนจางแต่คำสวด น, นั้นไม่ได้สอนให้ละเลิกอบายามุกเลยถ้าท่านอยากเลิกเหล้าท่านก็ต้องสวดตามท่านติรติก็ใครว่าข้าอยากจะเลิกเหล้าละ่ะสามีของเปรมาขึ้นเสียง เจ้าเป็นผู้หญิงไม่เข้าใจความสำราญของผู้ชายหรอกความสำราญที่ว่าก็คือการทำตัวเหมือนคนสติไม่สมประกอบเวลาเมาเหล้านั่นน่ะรือเปรมาโกดจนหน้าดำหน้าแดงเมื่อถูกย้อนถ้านั่นเรียกว่าความสำราญท่านก็คงไม่รู้จักคำว่าสมเพศเวทนาแล้วไม่รู้ล่ะต่อไปนี้ข้าจะสอนให้ท่านว่าคำสวดของท่านตริติทุกวัน สามีของเปรมาไม่อยากมีปัญหากับภรรยาจึงเป็นฝ่ายเงียเสียในใจคิดว่าถ้าเปรมาอยากจะทำอะไรก็ปล่อยให้เธอทำไปแต่ไม่ว่าด้วยวิธีไหนก็ตามก็จะไม่มีทางชักจูงให้เขาเลิกเล่าได้ประเดี๋ยวพอเห็นว่าไม่เป็นผลเปรมาก็คงจะเบื่อแล้วก็เลิกไปเองนั่นแหละแต่สามีของเปรมาดูถูกภรรยาของเขาเกินไป เปรมาสอนให้เขาสวดมนต์อย่างนักพจนิติทุกวันโดยไม่เบื่อหน่ายกระทั่งนอนแล้วก็ยังจะตามมาว่าให้ฟังอยู่ใกล้หูจนในที่สุดสามีของเปรมาก็หมดความอดทนเสียเองเขาตะโกนลั่นบ้านในวันหนึ่งขณะที่นั่งดื่มเหล้าและเปรมากําลังว่าบทสวดมนต์ให้ฟังเหมือนทุกวันพอกันทีเปรมาข้าจะไม่ทนกับการกระทําของเจ้าอีกแล้วเพราะข้ารักเจ้า ถึงไม่เคยห้ามไม่ให้เจ้าบูชานักพรตติระติซึ่งต่างจากนักพรโกมุตที่ข้านับถือถ้าเป็นคนอื่นข้าบอกได้เลยว่าไม่มีผู้ชายหรือสามีคนไหนยอมทําตามใจภรรยาตัวเองถึงขนาดนี้หรอกนะแล้วดูที่เจ้าทําสิเจ้าพยายามบังคับให้ข้าหันไปสวดมนต์เหมือนเจ้านี่มันเกินไปจริงๆเปมาเจ้าน่ะเป็นภรรยานะมิใช่สามี เปรมาฟังคำตำหนิของสามีโดยไม่ตโต้แย้งแต่แววตาขุนเคืองของเธอบ่งบอกอารมณ์ในขณะนั้นได้ดีเปรมาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าที่ข้าทำไม่ใช่อยากชักจูงให้ท่านมานับถือนักรถท่านเดียวกันกันกบข้าหรอกนะแต่ข้าอยากให้ท่านเลิกเล่าเพื่อสุขภาพของท่านเองข้าจะไม่เลิกเล่าเปรมาข้าจะไม่เลิกเล่าสามีของเปรมายืนยันเสียงแข็ง ก็ได้เปรมาลุกขึ้นยืนในเมื่อความเห็นของเราไม่ตรงกันก็อย่าพูดกันอีกเลยแล้วเปรมาก็วิ่งเข้าไปในห้องปิดประตูลงกรไม่ให้สามีของเธอเข้ามาไม่ว่าเขาจะเคาะประตูเท่าไรอ้อนวอนแค่ไหนเปรมาก็ไม่ยอมออกจากห้องเธอนั่งลงสวดมนต์เสียงดังเพื่อกบเสียงงอนง้อของสามีผ่านไปสามวันสามีของเปรมาทนคิดถึงภรรยาไม่ไหว เขาคาะประตูห้องและพูดสิ่งที่ไม่คิดว่าตัวเองจะพูดออกไปข้าจะเลิกเล่าถ้าเจ้ายอมออกจากห้องประตูเปิดออกใบหน้างดงามของเปรมาระบายด้วยรอยยิ้มซึ่งทำให้เธอดูงดงามเป็นที่สุดจริงหรือเปรมาถาจริงสิถึงข้าจะขี้เล่าแต่ข้าก็ไม่เคยพูดปลดหลอกสามีของเปรมากล่าวด้วยใจจริง แต่ค่าคงเลิกเสียทีเดียวไม่ได้ต้องลดลงทีละนิดทีละหน่อยได้สิขอแค่ให้ท่านคิดจะเลิกเท่านั้นต่อไปท่านก็จะเลิกเล่าได้เองเปรมายินดีเป็นที่สุดสามีของเปรมาเริ่มทำได้อย่างที่พูดแต่ไม่เป็นที่พอใจของภรรยาเพราะหลายวันผ่านไปแล้วแต่ปริมาณเล่าที่ดื่มก็ยังมากอยู่เปรมาทวงสัญญาจากสามีอีกครั้ง ชาวนี้เขาถึงกับกุมขมับพร้อมกับบนเปรมาอะไรกันอีกเปรมาข้าก็บอกเจ้าแล้วนี่ว่าต้องเลิกทิลนิดซึ่งข้าก็ทําแล้วเจ้าจะมาเอาอะไรกับข้าอีกก็ท่านยังดื่มอยู่มากเปรมาแยง้งเลิกทิลนิดเดียวอย่างนี้ถึงแก่แล้วก็ยังไม่หยุดดื่มเหล้าหรอกโอ้ยข้ามีพูดดับเจ้าแล้วสามีบอกอย่างหงดหิดดีเปรมาก็ทิฐิแรง ไม่พูดก็อย่าพูดข้าก็จะไม่พูดกับท่านข้าจะมีปากของข้าไว้กล่าวแค่คําสวดมนต์ของท่านตรีติเท่านั้นพูดจบเปรมาก็วิ่งเข้าห้องและปิดประตูลงกรอนอีกเสียงสวดมนต์ของเธอดังออกมาจากห้องคราวนี้สามีของเปรมาก็ไม่ง้อภรรยาเหมือนครั้งที่แล้วเขานั่งลงหน้าห้องและเริ่มดื่มเหล้าเขาฟังเสียงสวดมนต์ของภรรยาไปอย่างเงียบ น่าเหลือเชื่อที่เปรมาสามารถหลบหน้าสามีของเธอได้ถึงสามเดือนทั้งๆ ท, ที่อยู่บ้านหลังเดียวกันตอนนี้ในใจของทั้งคู่ต่างเจ็บปวดด้วยความถวิลหาเปรมาสวดมนต์อย่างหนักและคิดแต่จะหาวิธีให้สามีของเธอเลิกเล่าอย่างเด็กขาดเธอยังคงอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยดลใจเขาอีกด้วยส่วนสามีของเปรมาก็คิดถึงภรรยามากตอนนี้ เขาคุ้นชินกับเสียงสวดมนต์ของเปเรมามากกว่าใบหน้าของเธอเสียอีกทุกคั้ที่ดื่มเหล้าสามีของเปรมาก็จะคิดถึงเสียงสวดมนต์ของภรรยาด้วยเหตุว่านั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขามีปัญหากับเธอและเป็นสิ่งเดียวที่เชื่อมเธอกับเขาเข้าด้วยกันในเวลานี้แต่แล้ววันหนึ่งเปรมาก็ก้าออกมาจากห้องสามีของเธอซึ่งเฝ้ารออยู่หน้าห้องตลอด ดีใจมากเขาคิดว่าภรรยายกโทษให้แล้วแต่ปรมาสายหน้ามีเหตุผลเดียวที่เธอจะยกโทษให้นั่นคือเขาต้องเลิกดื่มเหล้าโทก็ข่าก็าพยายามอย่างนี้อย่างไรในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาข้าดื่มน้อยลงมากดูนี่สิเห็นไหมข้าไม่ได้เมาสักหน่อยหากเป็นเมื่อก่อนป่านนี้คงเดินเซไปเซมาทั่วบ้านแล้ว เบมาเห็นจริงดังที่สามีกล่าวได้ยินหญิงรับใช้ที่คอยส่งอาหารเข้าไปในห้องบอกอยู่เหมือนกันว่าสามีของเธอดื่มน้อยลงกว่าแต่ก่อนมากแต่ท่านก็ยังไม่เลิกเด็ดขาดนี่เธอยังคล่องใจค้าเชื่อว่าสักวันจะเลิกได้แต่หากจะให้เลิกเดี๋ยวนี้เลยข้าก็คงต้องบอกเจ้าด้วยความสัตย์ว่าข้าทำไม่ได้และไม่มีวิธีรองเชื่อสิ มีสิเปรมาแยง้งข้าเชื่อว่าท่านนักคตติรติจะต้องช่วยท่านได้ไม่มีทางท่านติรติไม่ใช่นักกดเล่าท่านเป็นนักบวชถ้าอย่างนั้นลองไปหาท่านติรติกับข้าไม่ล่ะไปก็ไปสิอ่ะสามีของเปรมารับคำา ท, า ท, ท้าทันทีถ้านักโทติรติช่วยให้เขาเลิกเล่าได้จริงก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าทำไม่ได้ ภรรยาของเขาจะได้เลิกชวนทะเลาะเรื่องนี้เสียทีเมื่อไปถึงสำนักของนักพตรติระติทั้งสองก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ท่านฟังนักพตรติระตินั่งทำสมาธิครู่หนึ่งก่อนจะลืมตาขึ้นและยิ้มบอกสามีของเปรมาว่าสามีของเปรมาเจ้าเป็นบุรุษผู้ประพฤติตนดีมากข้าจะให้พรแก่เจ้าสามีของเปรมาเลิกคิวด้วยความแปลกใจ แต่เปรมาตกตะลึงยิ่งกว่าเดี๋ยวก่อนเจ้าค่ะท่านตรีติเจ้าขาท่านคงเข้าใจอะไรผิดไปเสียแล้วสามีของข้าผู้นี้เป็นคนขี้เล่าและข้าพาเขามาที่นี่เพื่อให้ท่านว่ากล่าวตักเตือนเขาต่างหากนักพศตรีติยิ้มอย่างสงบพร้อมกับกล่าวว่าไม่เลยเปรมาสามีของเจ้าสมควรได้รับคําชมเจ้าต่างหากเล่าที่ควรได้รับคําตําหนิ ทำไมแล้วเจ้าคะไปมาตงใจทั้งๆที่ข้าเองก็สวดมนต์อย่างหนักมาตลอดนักพรตจึงชี้แจงว่าเพราะเวลาที่สามีของเจ้าดื่มเหล้าเขาคิดถึงแต่บทสวดมนต์ของข้าตลอดเวลาสาระแห่งบทสวดมนต์จึงแทรกซึมเข้าสู่วัาใจของเขาทีละน้อยทีละน้อยนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาจึงดื่มเหล้าน้อยลง ส่วนตัวเจ้านั้นในขณะที่วาจาของเจ้าพร่ำเอ่ยบทสวดมนต์ของข้าแต่ในใจกลับร้อนรุ่มอยู่แต่เรื่องของสามีไม่ได้ระลึกถึงคุณค่าในบทสวดนั้นเลยเปรมาการสวดมนต์ที่เจ้าว่าทุ่มเทยอย่างหนักนั้นมีความหมายเพียงแค่การเปล่งเสียงผ่านริมผีปากเท่า น, นั้นเองเปรมาได้ฟังดังนั้นก็รู้แจ้ง เธอร้องไห้ได้วยความรู้สึกผิดครั้งใหญ่สามีของเปรมาเข้าสวมกอดภรรยาด้วยความรักเขาก็ซิบคำปลอบใจซึ่งช่วยบรรเทาทุกข์ให้แก่เปรมาได้มากนักพรตเห็นเปรมาสงบอารมณ์ลงแล้วจึงกล่าวกับคนทั้งคู่ด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าสามีของเปรมาที่เจ้านับถือนักพรตโกมุต้นก็ดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใจมานับถือข้าดอก แต่ขอให้เจ้านำความดีงามจากบทสวดของข้าไปปฏิบัติร่วมกับคำสอนของโกมุส ด, ด้วยแล้วเจ้าจะพบกับความสุขอันยิ่งใหญ่นักพรตหันไปทางเปลมาแล้วกล่าวแก่เธอด้วยรอยยิ้มว่านิ่งเสียเธอเปรมาและอย่าได้กังวลใจอีกไม่นานดอกที่เจ้าจะได้ในสิ่งที่หวังสามีของเจ้าจะเลิกเล่าได้อย่างเด็ดขาด เพียงแต่เจ้าจะต้องให้เวลาเขาจากนั้นนักพติระติก็ให้พรแก่คนทั้งคู่และคำพูดของเขาก็เป็นจริงในอีกหนึ่งปีต่อมาเธอทั้งหลายไม่ว่าจะทำอะไรเราก็ควรมีใจให้กับสิ่งนั้นอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันแม้เธอจะสามารถท่องบทสวดมนต์ดีๆได้เป็นร้อยเป็นพันแต่ความสามารถนั้นจะสูญเปล่า ตราบเท่าที่เธอยังไม่ได้ทำสิ่งที่สำคัญที่สุดจำไว้สักหน่อยเถอว่าการสวดมนต์จะมีคุณค่า mm. ก็ต่อเมื่อผู้สวดได้นำความดีงามในคาสวดนั้นไปปรับใช้กับชีวิตของตอนเองหรือถ้าจะคิดให้ไกลกว่านั้นมันไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องสวดมนต์แต่ครอบคลุมไปถึงทุกๆเรื่องที่เธอทำทุกๆครั้งที่เธอร้องเพลงชาติทุกครั้งที่กล่าวคาสัตย์ปฏิญาณ ทุกครั้งที่อ้อนว่ารักพ่อแม่และทุกๆ ท, ทีที่บอกใครสักคนว่ารักเขาทุกๆเวลาที่ทำสิ่งเหล่านั้นหัวใจของเธออยู่ที่นั่นด้วยหรือไม่หรือได้ทำสิ่งใดที่แสดงให้เห็นจริงอย่างที่ปากพูดบ้างหรือเปล่าถ้าไม่เคยเลยคำพูดเหล่านั้นก็ไร้ความหมายและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดพร้อมย่มีค่าน้อยกว่าศูนย์เสียอี